ขอบรรดาญาโยมพุทธบุตรจัดรับฟังคําแนะนําในการเจริญพระกรรมฐานการเจริญพระกรรมฐานเมื่อคืนนี้ก็พูดตอนต้นพอสมคนแล้วนะคิดว่าคงยังจําได้อาจจะเป็นแค่จำได้ว่าพูดแล้วแต่จาเรื่องไม่ได้ก็ได้นะเอออย่างนี้พูดนี่มันเก่งมากจึงได้เปลี่ยหันกันมันแถว <c oughs> ก็เป็นว่าการจะรยิยพระกรรมฐานจริ ง, รงๆถ้าเราดูตามตำรามันก็ยุ่งมากตำราก็เขียนว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้บางคนก็ถือบาลีเกินไปบาลีเกินไปนะโอชุงกายยังมิทายะอย่างนี้เป็นต้นต้องตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกแล้ระรับปีวปรภาพอไรก็ว่าเกเคียดไปนอยที่สุดคนรับฟังก็ปฏิบัติไม่ไหว เที่ว่าการติมเจตการจริงๆตามที่ตามพระสูตรตามที่พระเจ้าสงัสการเจริญการวัฏฐานจริงๆมีอาการไม่หนักไม่ขึ้นอยู่ความฉลาดของคนเนแต่แต่ละคนก็มีความฉลาดไม่เสมอกันคนละแนวคนละทางบางทีความฉลาดเท่ากันแต่ลีลาต้องไม่เหมือนกันฉะนั้นกรรมฐานที่พระเจ้าทรงสอนจึงมีมาก พระเจ้าทรงวางหลักการปฏิบัติพระกรรมฐานไว้สี่สิบอย่างเรียกว่าสี่สกองและก็ทรงแยกกรรมฐานสาสบกองไว้เพื่อจริตกรรมฐานอีกสิบกองเพื่อเพื่อบุคคลทั่วไปใครจริตไหนก็ทําได้ที่พระพุทธเจ้าตรงแยกแบบนี้เพราะคำว่าจริตก็คืออารมณ์อารมณ์ของใจมีความต้องการของใจไม่เสมอกันอย่างคนที่มีราคะจริต พระพทเจ้าสรงให้เจริญกรรมฐานสิบเอ็ดอย่างคือ ก, กายกตารุสติหนึ่งอสุภกรรมฐานสิบแต่ว่าถ้าบอกว่าสิบเอ็ดโยมก็งงแล้วไม่ไหวใช่ไหมพาู้ที่าามีเสนยยงงงุงเข้าปากแสดงว่าปากหวานมายุงมันเฮงจริงๆบินเข้าปากนี่นะหลวงพ่อไม่ทำบาปนะ บาปไปเข้าปากเองจะไม่ทันจะเข้าประชาชนมืดบาป ม, มาปิดซะทันหนายุงกระรวมความกรรมฐานสิเอ็ดอย่างคืออสุปสิบคำว่าอสุปสิบนี่เขาจะเรือจริงเขารวบเรือนหนึ่งคำว่าอสุปก็แปลอสุปหรืออสุภะเนี่ยเขาแปลไม่สวยไม่งามรวมหมด ไม่ใช่แยกเป็นยันย่างรวงเข้ามากับร่างกายว่าร่างกายทุกส่วนของร่างกายไม่มีความสวยสดงดงามจริงมันเต็ไมไปด้วยความ ส, สโสมกโสมโกะอย่างนี้เป็นต้นอย่างคนที่มีศรัทธาจริตพระเจ้าใช้กรรมฐานหอย่างได้หอย่างในความจริงให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง น, น, นี้เป็นต้นกระโดงความว่าวันนี้ถ้าพูดเร่อจริตจะไม่จบกระโดงความว่าการจเจริตกรรมฐานจริงๆถ้ามีความฉลาด ก็ใช้กรรมฐานส่วนกลางซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้จริตนี่กรรมฐานส่วนกลางก็เป็นเราสินเจหกอย่า ง, างก็ลำบากพหมือนกันก็เป็นว่าถ้าหากจะกรรมฐานถ้าเจริญจริงจริงก็ให้ดูคนไหนก็จะเอาแบบไหนถ้าสุขาพิจารโกรนี่ทำง่ายเพราะสุขาพิจารโกรได้ชาสมาบัติ ด, ด้วยเป็นพระอริยเจ้าด้วยแต่ไม่มีความเป็นทิพย์ ติดเป็นคลิปไม่มีฮั้นทําง่ายถ้าเราต้องการอยากจะรู้อยากจะเห็นก็เดินปฏิบัติตามสายเตยวิโชคือวิชาสาวิชาสามนี่ผีเทวดานรกสวรรค์หมดเรื่องการสงสัยอยากจะรู้อยากจะเห็นเทวดามอะไรอยากเห็นนางฟ้าอยากเห็นพรหมอยากเห็นสัตว์นรกเปลือกเทวรกายเห็นได้ทันทีทันใดตามที่เราต้องการแล้เราก็พูดเราก็คุยกันได้ สามารถเลืกชาติได้ด้วยอันนี้ถ้าบางคนถ้ามีกําลังใจยิ่งไปกว่านั้นแค่เห็นไม่พอต้องไปให้ถึงถ้าต้องไปถึงต้องปฏิบัติในหมวดของอภิญญานี่มันไม่เหมือนกันบางคนถ้าได้ปัญญาด้วยวิชาสามด้วยไปได้มาได้แต่ความฉลาดไม่พอความอัดอัน้นตนใจเนื่อธรรมะธรรมบูญมีมากบางอย่างคิดไม่ออกไม่เอาปฏิบัติในขั้นขเขาเปไปเสียมิชายาน ถ้าถึงขั้งเขาวิชมิทายาเนี่ยไม่มีอะไรติดขัดมีความเข้าใจในคําสอนพุทธเจ้าทุกอย่างในการปฏิบัติกรรมฐานก็ต้องแยกหมดไปตามนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงแยกกรรมฐานไว้ตั้งหลายสิบกองเพื่อเพื่อความต้องการของญาติโยมพทะตริษัทถ้าต้องการสุขความเปก็ได้เตวิโชก็ได้ชละปิญโยก็ได้พิชมิทัพะปะโตก็ได้ตามใจคน แต่ว่าวันนี้ก็จะขอพูดในั่งของสุขาเวสโกุว่าง่ายๆเปน็นกลางกงท่านที่ต้องการปฏิบัติในเทวิโชชลพิญโยในความจริงก็มีอยู่แล้วเตวิโชก็คือมโนยิทธินั่นเตวิโชแต่ว่าถ้าทำมโนยิทธิได้แค่เห็นไปไม่ได้อันนี้เป็นเตวิโชถ้าไปสู่สวรรค์ไปผูกธรมโลกได้อันนี้เป็นชลพิญโยมีอยู่แล้ว สำหรับไปชั้นิธายานก็ไม่จําเป็นต้องสอนเท่านั้นถ้าหากมีความเข้าใจจริงไปชึงนายานก็เกิดเองตอนนี้ก็มาพูดกันถึงแนวปฏิบัติเอากันแบบง่ายๆการปฏิบัติกรรมฐ า, านนิยมโยมทุกคนทุกคนหวังนิพพานแต่ในเมื่อทุกคนหวังนิพพานก็ต้องหวังว่าถ้าเรายังไม่ถึงนิพพานไว้ก่อนถ้าเรายังไม่ถึงนิพพานเพียงใดเราต้องไม่ลาบาก ไม่ระ บ, บาดในทรัพย์สินนั่นคือฐานทานการให้จะเป็นปัจจัยส่วยสงเคราะห์ให้เรามีความสะดวกในความไปอยู่ในเรื่องทรัพย์สินอันนี้ต้องเตรียมไปด้วยแล้วก็ราการนี้สองรูปร่างหน้าตาสูดทรงต่างๆให้มันครบถ้วนบริบูรณ์สาร่ราการถ้าบังเอิญจะเราจะมีวาสนาบารมีขั้นจะไปละหั น, นได้แต่ขาหายไปข้างจะหมูกหายไปข้างมันก็ไม่โกนะใช่ไหมเพราข้าวสังคมยากเหมือนกัน ก็เป็นว่าต้องมีรูปร่างหน้าตามีสุดทรงมีครบองค์การสถานิสัมฤทธิการจะสวยมากส่วนน้อยอยู่ที่สิลก็ต้องมีสินให้ครบถวนสินเนี่ยเป็นเรื่องเขาสวดทรงร่างกายผิวพรรณความสวยไม่สวยครบไม่ครบในอยู่ที่สินนี่ต่อมาเราก็ต้องเป็นคนมีปัญญาการจะเข้าสิ่งผ่านต้องมีปัญญาปัญญาจะต้องเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสนากรรมฐาน กรรมฐ า, านทำให้จิตทงตัววิปัสนารมฐานใช้กำลังปัญญามีความเข้าใจต่อมาก็มาหงุกลับถึงวิธีปฏิบัติเอาทั้งสองอย่างยังไม่ถึงนิพพานแต่ก็รวยและในโอกาสเดียวกันก็นสามารถจะถึงนิพพานได้วิธีปฏิบัติจริงๆขั้นต้นของมัณฑะแต่บริษัทยังไม่ยกตัวอย่างมันนี้ก็มีตัวอย่าง อันดับแรกขอทุกคนก่อนที่จะภาวนาจงพยายามยับยั้งศัตรูตัวสําคัญด้วยก่อนศัตรูตัวสําคัญที่สุดนี่ก็คือนิวรห้าประการนิรวรห้าประการนี่เราจะยับยั้งชั่วคราวเฉพาะที่เราทําสมาธิเท่านั้นถ้าเลิกจากการทําสมาธิเราจยับยั้งมันไม่ได้เพราะมันเป็นกําลังควบคุมใจเป็นปกติของคนธรรมดา วิธียับยัง้งคือไม่นึกถึงมันนิวรหาประการข้อที่หนึ่งก็คือการมัชันทะความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศตัว น, นี้เราไม่นึกถึงมันขณะที่ภาวนา 2. อ, อารมณ์ไม่พอใจ 3. ความวง่วง 4. อารมณ์ฟุ้งซ่านคิดนอกเรี่นอกรอยไม่ยับยัง้ง 5. สงสัยในผลของการปฏิบัติ รวมความว่าทั้งห้ารายการนี้ยังเป็นเจ้าเข้าใจเราอยู่แต่ว่าเราจะยับยั้งมาช่วเวลาเล็กน้อยวิธียับยั้งคือว่ากาหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลานั้นเราจะไม่สนใจกับอะไรทั้งหมดลูกสวยเสียงเพราะด้วยความโกรธความไม่พอใจความว่วความพุ่งสั่นสงสยัยไม่เอาละเราต้องการอย่างเดียวคือลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้า เวลาให้ใจออกรู้อยูใใออใใายา่ให้ใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อย่างนี้ถือว่ามีสมาธิในอนาปานนสติกบาลานว่าคำว่าสมาธิแปลว่าการตั้งใจเวลานี้เราตั้งใจรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกขณะใดที่เรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเวลานั้นนิวรณ์ทั้งห้าอย่างไม่กวนใจเราเลย ใจสักประเดี๋ยวหนึ่งมันก็โกนก็ช่างมันอีกประเดี๋ยวหนึ่งมันโกนก็แสดงว่าเราชนะมันครู่หนึ่งถ้ามันเริ่มโกนใจถ้าเรารู้สึกตัวว่ายี ว, วอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวที่สี่ตัวกุ้งสัน้นมันเริ่มกวนใจเราก็ตั้งต้นใหม่เอาจัดจิตใจเขาเราทราบลมหายใจเขาออกใหม่ให้ใจเข้าก็รู้ใจออกก็รู้ก็สลับกันไปสลับกันมาาเระว่า ขณะใดที่เราไม่นึกถึงนิวรณ์เวลานั้นเชี่ยวจิตว่างจากกิเลสถตาที่เวลาเจริกนกรรมฐ า, านส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้มีคำภาวนาด้วยเพราะคำภาวนานี้ก็มีความหมายสำคัญไม่ใช่่ า, านาภาวนาแล้วไม่มีผลนี่ผลมากภาวนาส่วนใหญ่จริงๆจะแนะนำให้ภาวนาว่าพุทโธม่เวลาขึ้นตนนะหมายความวาฝึกใหม่ๆต่อไปเข้าไปจากองต้งภาวนาา คำภานาแช่คำาวนาประจํากองแต่ว่าคำาวนาประจํากองจะไม่บอกเวลานี้เพราะมีทั้งหลายพันหลายพันอย่างเราต้องเลือกเฉพาะจุดจุดไหนเหมาะสมกับเราเอาอย่างนั้นไอ้ <c oughs> อย่างกลางๆก็กพ่อปาวงพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโธ เรารู้ทั้งลมให้ใจเข้าให้ใจออกด้วยรู้คำวนาวะทงพุทธโธด้วยคำวนาว่าพุทธโธเป็นพุทธานุสติกรรมัฐานมีอริสง ม, มากเนี่ยภาปกติธรรมดาถ้าจะให้ดีกว่านั้นอีกนิดหนึ่งก่อนที่จะภาวนาว่าพุทธโธพระบรรดาญาโยมพระธบริษัททุกคนนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งทั้งนี้ท่า น, ท, านท่านยังไม่ได้ปโนยิธินะ คนที่ได้มโนยิทธิแล้วก็นึกถึงภาพพระเจ้าโดยตรงที่เราเคยเห็นถ้าที่ยังไม่ได้มโนยิทธิก็นึกถึงภาพพระรูปองค์ใดองค์หนึ่งองค์ไหนก็ได้ที่บ่ายก็ได้ที่ร้านค้าก็ได้ที่วัดไหนวัดใดวัดหนึ่งก็ได้ตามที่ชอบใจมากที่สุดเมื่อนึกถึงภาพพระพุทธรูปถ้ามีลงคิดว่านี่คือพระพุทธรูปเป็นก็เป็นพุท ธ, ธาสุสติ ถ้าหากว่าพุทรูปมีสีเหลืองเป็นปิตากรสินเป็นแท่งกสินด้วยเป็นนุทธาโนสติด้วยถ้าพทธรูปสีขาวก็ไปโอทากรสิ น, นถ้าพุะรูปสีเขียวก็ไปเป็นปนีะกระสินอย่างนี้เป็นต้นรวมความว่าเราก็จะได้กรรมฐานหลายอย่างร่วมกันคืนหนึ่งอนาปานโนสติสองุทธาโนสติแล้วก็สามกสิน ถ้าทำอย่างนี้อารมณ์จิตจะทรงตัวเร็วเพราะว่าการสังเกตภาพพุทธรูปถ้าขณะใดภาพพุทธรูปเลือนจากใจก็แสดงว่าเวลานั้นจิตของเราพลาดจากสมาธิเราก็เริ่มต้นใหม่ถ้านั่งข้างหน้าพุทธรูปให้ลืมตาดูภาพพุทธรูปก่อนจําให้ได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพแล้วก็ใช้ลมหายาใจเขาออกโคูโคกคำภาวนา อย่างนี้สมาธิจะส่งตัวเร็ว <c oughs> ในการทำอย่างนี้การใช้สมาธิไม่ต้องใช้กําลังสูงมากนักแต่ว่าเออใครจะมีสมาธิสูงก็ดีไม่ห้ามและชอบใจด้วยถ้าค้านะั้นมีความยังเป็นเราใช้สมาธิสูงไม่ได้ก็ไม่ต้องมากใชอารมณ์แบบสบายๆและหลังจากนั้นเมื่อจิตเริ่มสบายภาวนาไปสักนิดหน่อยสัก4ีนาทีห้านาทีก็ตามพระจิตเริ่มเป็นสุข สังเกตดูทีแรกว่าการเริ่มภาวนาจริงๆ ร, รู้ลมให้ใจเขาออก่ะรู้สึ ก, กว่าวใจเราเต้นแรงไปหน่อยทีว่าใจเต้นแรงก็เพราะว่าขณะที่เราทํางานอยู่ทั้งวันเราเหนื่อยที่จิตใจเราไม่ได้สนใจกับความเหมนื่อยสนใจกับงานก็เลยไม่รู้ว่าเราเหนื่อยเมื่อเริ่มทําสมาธิจิตเริ่มรวมตัวเยอะรู้สึ ก, กว่าใจเต้นแรงไปนิดหนึ่งราค่อยๆภาวนารู้ลมให้ใจเขาออกเรื่อยๆไป สักประเดี๋ยวเดียวจิตจะเบาตัวลงเพราะใจจะเต้นช้าลงเบาลงจิตจะเริ่มเป็นสุขถ้าพอจิตเริ่มเป็นสุขแล้วก็ควบวิปาาัสนาญาณการใช้วิปัสนาญาณก็ต้องใช้ให้เหมาะสมตามที่มีความต้องการนี่เอาวิปัสนาญาณที่ได้ยินกันบ่อยๆตามที่พระปราศกุลทรง คือบาที่พระปางสกุลศพน่ะเป็นวิปัสนาญาณสําคัญมากนะแต่บังเอิญดีไม่ดีก็าทั้งพระทั้งคนนั่นแหละไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมอา น, นิจาว่าจะสังขาราว่าเลยไปกูดได้ยี่สิบบาทก็แล้วกันไป ว, วะโยมก็เสียไปยี่สิบาทยี่เป็นต้นไม่รู้เรื่องกันความจริงปังส ก, กุลเนี่ยเป็นเป็นวิปัสนาญาณสูงมากถ้าอา น, นิจาว่าจะสังขาราประสังขานทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ ก็ น, นึกถึงร่างกายของเรานึกถึงร่างกายคนอื่นในความใจความจริงร่างกายคนอื่นไม่ต้องไปยุ่งกับมันมากนะักมันไม่ยุ่งกับเขายุ่งกับร่างกายของเรากันก็นแล้วกันเพราะร่างกายของเราไม่เที่ยงอุปาทิเทวทธรรมทวายธรรมิโนเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปก็มานั่งนึกถึงร่างกายว่ากายเกิดขึ้นร่างกายแต่มันเสื่อมทุกวันมันสูญเสียไปทุกวันอย่างผมพวกเราปกติ มันเราตัดแล้วก็แต่งดีแล้วไม่ชาก็ต้องตัดต้องแต่งใหม่ก็มันยาวเกินไปโฉมที่ถูกตัดไปมันเสียไปแล้วไม่กลับคืนเข้ามาวัยการบางร่างกายเราพูด ท, ทรงต่างๆของเราเวลาการผ่านไปถ้าเราก็ตามตีก็ปรากฏมันก็เสื่อมลงแก่ไปทุกวันทุกวันทิน้งใดก็ตามที่มันพ้นไปแล้วเราไม่สามารถจะเรียกกลับมันได้ที่เรียกว่าเสื่อมไปอุ ป, ปัจจตวานิโรจนติ ในเมื่อความเกิดมีขึ้นที่สุดมันก็ดับไปคือตายก็คิดตามนี้ว่าร่างกายของเราไม่เที่ยงร่างกายของเราเสื่อมลงร่างกายของเราจะต้องตายในวันข้างหน้าใ น, ในเมื่อความตายมันมีอย่างนี้ถ้าเราเวียนไหวตายเกิดในวันตาอีกก็ชื่อว่าเราก็มีทุกข์ตลอดการเพราะการเสื่อมของร่างกายเป็นไปใจกยยับความทุกข์ไปใปจไปใจกับความสุข แล้วก็ตัดสินใจเอาข้อสุดท้ายว่าเตสังบูปสมสุสโขเรื่องแปลไป็นความว่ากายเข้าไปสงบกายนั่นเชี่ยวเป็นสุขแต่หมายความเราจะไม่มีร่างกายอย่างนี้อีกแดนที่ไม่มีร่างกายอย่างนี้มีที่ไหนถ้าเป็นเทวดาและนางฟ้าต้องกลับมามีร่างกายอย่างนี้อีกถ้าเป็นพรมก็ต้องกลับมามีร่างกายอย่างนี้อีกแดนที่ไม่ต้องกลับมามีร่างกายก็คือนิพพาน อ น, นิพพานเราทํำยังไงนิพพานก็ขันเข้าไปจับคําสอนพระพุทธเจ้ากับท่านภายยะเมื่อกี้นี้ที่พระเจ้าต้องการว่าพายยะเธอจงอย่าสนใจในรูปมันตัดตัวเดียวมือสกายติฐิคือการตัดแตดตัดไม่มากให้มีความเข้าใจตามความจริงว่าเราทุกทราอาศัยรูปคือร่างกายตัวเดียวร่างกายเราไม่ต้องตัดกับบางเขา ถ้าเราไม่มีร่างกายความหิวก็ไม่มีความกระหายก็ไม่มีอาการป่วยไข้ก็ไม่มีความแก่ก็ไม่มีการทัดคลาดจากของรักของชอบใจก็ไม่มีความตายก็ไม่มีนี่ถ้ามันมีทุกอย่างเพราะอาศัยร่างกายตัวเดียวก็ตัดตสินใจแบบง่ายๆว่าขึ้นชื่อว่าร่างกายที่มันเป็นปัจจัยของความทุกข์เราจะมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ถ้าเราตายจากชาติจากครั้งนี้มาไรขค้นเรื่ยวความตายอย่างนี้จะไม่มีอีกจุดที่เราต้องการนั่นคือนิพพานเอาอย่างนี้นะเอาง่ายๆนะแต่นี่การปฏิบัติ บ, ตบางคนวันนี้ก็มีคนถามว่าถ้าต้องการแค่สิ่งก็ภาวนาเพราะทานมีกําลังต่ําอย่างนี้อเจงนะ่ะเยอะไปชาติหน้าจะเป็นลกมรรคผลยังไม่มีข้าวกินนะก็ขอแนะนําักจะยกตัวอย่างบุคคลท่านหนึ่ง ที่ททั้งทานด้วยแล้มีผลทั้งด้มีปทสนายานด้วย <c oughs> นั่นก็คือว่าท่านติดสะท่านติดสะนี่ความจริงเดิมไม่ได้ชื่อนี้นะว่าชื่อทีหลังเกือทีหลังชื่อตอนก่อนแต่มาก็ลืมไปแล้วตอนแก่ท่านติดสะนี่จริงๆิงเป็นเพื่อนกับพ่ออบภาษาลีบทไม่ใช่พ่อชายก่อนพ่อในชาติที่ภาษาลีบทเป็นอกักษาวกนี่แหละ ท่านเป็นเพื่อนกับพ่อภาษาริบทเป็นคนมีฐานะดีแต่ตอนหลังกลับจนหลงแล้วก็จนมากซะด้วยเท่าจนหนักต่อมาภาษาริบทท่านไปที่เมืองนั้นเข้าใจว่าภาษาธิบทนี่ขนาดอาคาสาวกเบองขวาในชามาบัตต้องเก่งมากเพราะไปชวิทายาเ น, นี่ยต้องคล่องตัวจริงๆงก็คงจะทราบว่าเพื่อนของพ่อ น, นี่อาจจะต้องตายภายในสองสามวัน พอรุ่ขึ้นเช้าทั้งก็ตั้งใจไปบิณฑบาตที่บ้านนั้นนี่เพื่อนของพ่อคือท่านติดสานี่เดี๋ยวชื่อเดิมไม่ใช่ทีนี้นะก็มีลูกว่ารุ่ลูกชาลูกชายมาก็คิดในใจว่าเราเองก็มีความรักในพระลูกชายของเราคือลูกของเพื่อนะก็ถือว่าลูกของตัวเองด้วยแต่ว่าเวลานี้เราไม่มีอาหารยาใส่บาทรเนี่ยเขาจนขนาดอาหารใส่บาตรไม่มีข้าวทัพพีเดียวเนี่ยไม่มี ก็เลยแอบแอบใชไม่ยอมให้พบพระชายที่บวชไปยืนประเดี๋ยวหนึ่งไม่เห็นท่านออกมาก็หลีกไปเป็นบาติอื่นวันที่สองพระสารีบุตรก็ไปอีกแต่ความจริงพระสารีบุตรจะไม่รู้ว่าท่านไม่มีอาหารและไม่ใช่ต้องรู้แน่ข้อพระอิสมิทายา น, นี่ต้องรู้แต่พูดหรือไม่พูดนั้นเป็นหน้าที่ของเราท่านจะสงเคราะห์เพื่อนของพ่อท่านท่านเพื่อนของพ่อก็แอบอีกเพราะไม่มีอะไรจะใส่บาตร พอตกกลางคืนก็ปรากฏมีบุคคลคณะหนึ่ง<ส>เขาไม่เชิญท่านติดสะเวลานั้นไปสอนธรรมะของพราหมณ์สอนความรู้ของพราหมณ์ในเวลากลางคืนเพราะตอนเช้า<ส>เขาก็ให้ข้าววัตถุปบาย่าติมาหนึ่งชามให้ผ้าสาดกเนื้อหยาบมาหนึ่งผืนผ้าเนื้อไม่ดี<ส>เมื่อท่านได้มาแล้วท่านก็มีตั้งใจรือว่าข้าวหนึ่งชาม กับผ้าสะดกเนื้อหยาบหนังผืนนี้เราจะไม่กินเราจะไม่ใช้วันนี้เราตั้งใจจะสรงเคราะห์จะใส่บาตรพระลูกชายของเราปรากฏว่าตอนเช้าวันนั้นพระสาริบุตรออกจากสมาบัติไม่ใช่นิโรธาสมาบัติเพราะซึ่งสมาบัติธรรมดานี่พระอาหารหันต์ทำเป็นปกติทั้งวันท่านคุยอยู่ทํางานอยู่ทั้งกระทรงสมาบัติจะถามว่าทําได้ยังไงให้ไปอ า, ารามซะก่อนเลเนะีย ไปถามไดก่อนเขาดูเองบอกไปก็ไมรูพอท้าดีบทออกจากสมาบัติก็ทราบว่าวันนี้เพื่อนของพ่อมีข้าวมาทุปลายาดหนึ่งชามแล้วมีผ้าซาดกเนื้อหยาบหนึ่งผืนตั้งใจใส่บาตดกับเราท่านเก็ห่มจีวรคล้องบาตรออกไปที่บ้านนั้นท่านพ่อท่านพ่อเห็นข้าวก็เลยนิ ม, มนต์ข้าไปในบ้าน เอาข้าวมนทุกใบย่าดมาใส่บาตรท่านตั้งใจเทหมดชามพระสาริบุตรสังเกตว่าข้าวมนทุกใบย่าดเนี่ยมันเหมาะสาหรับบุคคลคนเดียวไม่มากนักชามนี้ถ้าหมดชามก็จะเป็นการเบียดเบียนเพราะหากว่าท่านเกลีย่ยลงไปประมาณครึ่งชามพระสารีบุตรก็มือกัน้นเพโยมพอแล้วท่านโยมก็บอกว่าพระคุณเจ้าอย่าทําลายความดีเพราะเลยผมตั้งใจไว้แล้วว่าจะถวายให้หมดชาม ถาว่าท่านไก่งความดีผมโหจะเสียกําลังใจมากภาษสารีบุตรเขต้องปล่อยปล่อยท่านใส่หมดชามแล้วท่านเอาข้าวมาทุกใบยาแต่เอเอาเอาผ้าสาดกองถวายด้วยภาษสารีบุตรก็หลีกไปไปบิณเบารที่อื่นดีเพรข้าวอย่างน้อยอยู่ตามที่เขามีศรัทธาปรากฏว่าภาษสารีบุตรหลีกไปไม่นานนักท่านพราหมณ์คนนี้ก็ตายอาศัยที่ท่านมีท่าน ก่อนจะตายถ้ามีความรักในภาษาดิบุตรเพื่อนอรหันต์อย่าลืมนะพะ่อภาษาดิอรหันต์นะมีความรักในพระอริยเจ้ามากนีการทําบุญท่านตายระหว่างเพีย่หลังจากทาบุญเล็กน้อยจิต ก, ก็เปินมหากุสลบาปยังไม่เข้าครองใจกําลังที่เป็นกุสลก็ท่านสามารถจะเกิดเป็นพรหมก็ได้เพราะมีกําลังใจนึกถึงพระสงฆ์เป็นสังขานุสติเป็นกําลังชานจะเปิดเป็นเทวดาก็ได้ แต่ความจริงแล้วถ้าไมไปเกิดที่นั่นเพราะความรักในบรษารีบุตรเมื่อจิตออกจากร่างนี้แล้วก็ไปเข้าร่างของพัญญาของท่านที่สง่งครอบบรษัณีบุตรคื อ, อครอบครัวที่สงเครอบรอบรษาณีบุตรไปเข้าคันของเขาพอพัญญาเริ่มแพ้ท้องก็มีความรู้สึกว่าความรักในบรษารีบุตรเพิ่มปูนขึ้นเขาครอบอยู่แล้วรักไปครอบมากขึ้น ก็บอกกัสามีบอกว่าฉันอยากจะถวายข้าวมัทุปาญาตกับพระห้ารองค์ซึ่งต้องมีภาษาดีบุทเป็นประธานแล้วอยากจะถวายผ้าซาดกแก่พระห้ารอองค์ซึ่งมีภาษาดีบุตรเป็นประธานสามีก็ตามใจทําทุกอย่างจัดให้พร้อมแต่พอตํ้มฤกว่าจะใช้ข้าวมัทุปายาตเลี้ยงพระห้าร้อยจะเอาผ้าซาดกเลี้ยงพระถวายพระห้าร้อยผืน ก็ปลากรวาวชาวบ้านต่างๆรู้เข้าต่างคนต่างมีกระทาม่ช่วยกันบ้านนั้นไม่ต้องออกมากนะักเสร็จไปแล้ว อ, อย่าลืมนะผ้าสาดกผืนเดียวนะเนื้อหยาบนะแต่ถาวายพระน้นผ้าเนื้อดีข้ามาทุกประญาติน้ำน้อยคือมันไม่ดีนะักแต่วันนั้นเขาเลี้ยงพระห้าร้อยองค์ได้ข้ามาัทุกข์ไญาตอย่างดีนี่เป็นผลต่อมาเมื่อวันครอด เมืเ่อคลอดมาแล้ววันตั้งชื่อเพราะวันตั้งชื่อก็ปปลกว่าพัญญาของ่านอยากก่อนที่จะตั้งชื่อลูกชายก็อขอโทษมันเลยไปขณะที่ตั้งครันอยู่ก็มีความรู้สึกว่าเธออยากจะผมผ้าสาดถือผ้าเหลืองผ้ากาสาวพัดผ้าเหลืองแล้วก็ถือขันขันทงขันทอ ง, งเหลืองญาตินิมนต์พระมาห้าร้อองค์มีปภาษาที่บทเป็นประธานญาติถวายข้าวมาทุบปายญาติ พระ5 0ารอ้อถวายผ้าสดกพระ้าร้อรูปห้ารอยผืนเหมือนกันว่าสามีก็จัดให้แล้วก็ทำตามนั้นนีนก500รต่อมาเมื่อวันตั้งชื่อเลี่ยง5้าร้อยถวายผ้าห0าร้อนะต่อมาเมื่อถึงอายุเจปีก็ปรายกฏว่าเด็กชายคนนี้ถึงแม่ให้ชื่อว่าติดสะอยากจะบวชในสำนักก็ไภาสาที่บว ท, ที่อื่นก็ไม่เอาเพราะความผูกพันมีแต่ใชก่อน แล้วบอกพ่อบอกแม่พ่อแม่ก็ตามใจเมื่อพระสารีบุดมาเธอก็แม่ก็รายงานบอกว่าลูกชายอยากจะบวชพระสารีบุดก็บอกว่าเด็กคนนี้ชื่ออะไรถามว่าเด็กคนนี้ชื่ออะไรมารดาก็บอกว่าชื่อม่พรคุณเจ้าไปเจ้าค่ะท่านก็นเลยถามว่าชื่อติดสะใช่ไหมมารดาก็บอกว่าใช่ท่านจะเรียกเด็กติดสะมาบวการบวชเป็นของยาก ไม่เหมือนฆราวาสเราฆราวาสอยากได้ร้อนก็ได้ร้อนอยากได้เย็นก็ได้เย็นทีนี้พระทุกอย่างชอบว่า i n g r ให้ถ้าเราอยากได้ร้อนเขาอาจจะให้เย็นของเย็นเย็นเราอยากได้ของเย็นเย็เขาอาจจะให้ออจจใหร้อนร้อนมันไม่ไปตามความประสงค์จะมีความลําบากภาพพนทสบายที่ใช้ก็ต้องอาศัยชาวบ้านที่อยู่ก็ต้องอาศัยชาวบ้านยารักษาโรคก็อาศัยชาวบ้านถ้าเขาไม่ให้เราก็ไม่มีใช้ตามความประสงค์จิตใจจะลำบากมาก เด็กก็บอกว่าผมต้องผมสู้ทุกอย่างครับพร้อมในบนเก่าของเขาต่อมาเมื่อบทเองก็ตะไวอย่างละห้าร้อยอีกนะข้าวห้ายผ้าห้าพระห้าร้อยองค์ข้าวห้าร้อยผ้าห้าร้อยไหลห้าร้อยนะ <c oughs> ก็รวมความว่าจริงๆแล้วตามายสุดถ้ามันเลนองค์นี้ตั้งแต่ข้าวคันมันดาต่ไวอย่างละห้าร้อยหกครั้งนี่ผ่านเนื้อยาพื้นเดียวนะข้าวชามเดียวเห็นม นี่เราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนนะคืออย่าไปไปถึงมีผ่านใช่ไหมนีม่เล่าให้สุ ก, กันฟังหลังจากนั้นแล้วมาบวชเสร็จวันหนึ่งคืนวันหนึ่งสัมงหนงก็เดินไปเวลานั้นมีพระอยู่พันรูปพันองเห็นพระพันองค์หน้าหนาวแบบนี้นพระพันองค์กําลังนั่งผิงไฟเพื่อถามว่าทําไมพระคุณเจ้าไปผมผ้ากําพลเลยครับไปผ้ากําพลคือผ้าผมเนี่ยขนาดหนา พระก็บอกว่าฉันมีบุญวาสนาไม่มีบุญวาสนาเมืม่นนอสัมเรนน้อยเมียนแค่ยุคเจ็ดปีนะ <Okay. S 1> ฉันไม่สามารถจะมีผ้าดีๆไม่สามารถจะมีผมผ้าผ้าผมผ้าได้จึงจําเป็นต้องใช้ถุงไฟแล้ว <Yeah. S 1> เนยก็เลยบอกว่าถาวันพรุ่งนี้นะครับฉันข้าวเสร็จลวงพี่ทั้งหลายไปกับผมเราจะไปในเมืองกันจะได้ผ้าหรือไม่ได้ผ้าผมก็ไม่ยืนยันถ้าได้ก็เอาไม่ได้ก็แล้วไปพระ ก, ก็พร้อมใจกัน อ้อชั้นข้าวเสร็จก็มีเนนเล็กๆอายุ10ปีนำหน้าตลงพี่อายุ20ว่าตามหลังพันองค์ก <c oughs> ินบุญเนนเป็นดีไหมไแดเอาเปรียบกินได้เฉยท่านพาพระพันองค์ไปกว่าจะเข้าถึงเมืองนะได้พระ500ได้ผ้า500ผืนนะพระองค์พระกรมตอนนี้กำลังจะมุ่งหน้าเข้าตลาดเวลานั้นก็ปลายกฏว่า ตามบาลีว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอาจจะมีศรัทธาน้อยก็เข้าไปในตลาดเห็นเจ้าของร้านร้านหนึ่งกําลังจัดผ้ากำพลอยห้าร้อยถุงเพลเสร็จก็ <c oughs> <c oughs> บอกว่าคุณรีบเก็บเ่อนะเวลานี้มีเนนตัวเล็กๆอายุประมาณเจปีเดินนำหน้าพระประมาณพันองค์เข้ามาชาวบ้านถวยายผ้ากาพลไปแล้วประมาณห0 0ร้อว่าเดียวเลนจะมาขอที่นี่ เจ้าของก็คิดไงเขาก็เลยถามว่าเน่ขอด้วยเน่งแย่งเขาก็เลยบอกเน่ขอเขาก็บอกว่าถ้าเน่ขอฉันพอใจจะให้ไม่พอใจก็ไม่ให้ไม่จําเป็นต้องเก็แล้วก็เลยขับชายคนนั้นไป <c oughs> แต่ว่าผููชายคนนั้นพอไปแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าของก็เกิดไม่ใช่ขี่เลียวเรื่องขี่แข็งนะอันเน่ยังไม่มาอันเ น, เน่นี่มีเสน่ห์มากใครเห็นเน่งทุกคนจะมีความรักมันลูก ก็ใสมีความรักในพระอรหานมาก่อนต่อมาก็ปรากฏว่าคนเข้าไปแล้วเจ้าของภาคคิดว่ า, าผ้าํำพลสองผืนนี่ราคาแพงมากผืนละพันก็หาเปะนะถ้าบังเอิญเนนมาขอผ้าสองผืนเราจะไม่ให้ก็ไม่ดีถ้าเราให้เราก็จะได้ราคาันแพงเลยซ่อนไว้ก่อนวอดีฉะนั้นท่านมาเนรนั้มาเด้วแวะร้านขายเดินเฉย ก็เป็นว่าถ้าใครให้โตรับใครไม่ให้สอบผ่านไปไม่ใช่ออกปากขอพอสมเนตรรามพระมาโยมเขาได้เห็นเข้าก็มีความรักเหมันรักลูกเก็เลยมีมนเดินเข้ามาก็หยิบเอาไอ้ผ้าสองเขนนี่ซุกไว้ถวายเน่ก่อนอสองเขินนี้ฉันถวายเฉพาะสมเนรเจ้าค่ะไม่ให้ใครให้เน่งขี่เหนียวขี่แข็งขี่โยู่แล้วแล้วผ้าห้าร้อยผืนถวายหวผ้าจึงครบ หลังจากนั้นมาก็ปรากฏว่าสา ม, มเลนมีความรู้สึกว่าอยู่ในวิหารมีความสุขน้อยเพราะคนมากกนคุยบ้างอะไรบ้างยังลาอุปชาคือภาษาที่บทเข้าป่าไกลไปร้อยยโยชน์เจริญเป็นกรรมฐานหวังมรรคผลน่าต้องการความเบรหันภายได้ไม่ถึงสามันเลนได้ด่านสงความปัญนาไม่กระโดงความว่าญาติโยมพุทธบริษัทธหลายโยทน์นาการเจริญกรรมฐานยาวหวังนิพพานอย่างเดียว ต้องคิดว่าก่อนจะถึงนี่พันเราต้องไม่จนด้วยเข้าใจไหมถ้าทุกคนจนั้งพ่ออดตายเข้าใจไหมอันนี้ทุกคนที่ถวายสังฆทานกันนี่ดีเพราะสังฆทานมีผลใหญ่ให้ตั้งใจสังฆทานสังฆทานนี่เป็นจากคานติกรรมฐานนะเป็นกรรมฐานกองหนึ่งในะกรรมฐานสี่การนึ ก, กจิตถวายสังฆทานก็ดี นึกว่าจะถวาย่านกับพระสงฆ์ก็ดีนึกว่าจะถวายทานให้ทานกับบรรดาคนยากยากจนก็ดีอันนี้เป็นจารคานุสติอย่าลืมว่าเป็นกรรมฐานกองหนึ่งที่สามารถจะช่วยรับริลพานได้คอยตั้งใจไว้ถ้าเรายังไม่มีก็ ค, คิดว่าถ้าเรามีเราจะให้เขาจะทําอะไรกันที่ไหนที่เป็นบนวิเคร์ถ้าเรามีเราจะเราจะร่วมด้วยขณะที่คิดอยู่อย่างนี้จะริยวจิตเป็นสมาธิก็ถือเป็นสมาธิในจารคานุสติกรรมฐาน ถ้าคิดแล้วไม่ปล่อยอารมณ์ทรงอารมณ์ไว้ว่าถึงเวลาเมาื่อใดเรามีอะไรเราจะทํามื่อนั้นเราจะให้เมื่อนั้นอันนี้เป็นฌ า, นะ า, า, า, านในใจข่าวสถิติธรรมไม่เชื่อเรื่องเล็กเรื่องใหญ่มากแ ล, แล้วเราก็คิดนอกจากคิดอย่างนี้เราคิดถึงพระนิพพานว่าถ้าเราตายเมื่อไหร่ขอพระนิพพานจุดเดียวแดนใดก็ตามนะไม่ต้องการเกิด อ, อย่างนี้ทุกคนคอยยืนยัน<ๆ>ว่าก่อนจะตายเมื่อไหร่ภายในวันนั้นจะเป็นรันก่อนตายภายใน 2- อสาชั่วโมงก็จบสีทุกคนนะ ตอนนี้ไปขวรนดา ญ, ญาโยพุทธวิษัทชันไหลวันนี้ก็พูดเลยเวลาไปหน่อยตั้งใจสมาทานสินสมาทานเ็กรรมฐ า, าน